เพราะความเจริญในธรรมจึง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่หลวพระพุทิยานได้นำเสนอวิรยะบ ร, รมีมาโดยลำดับซึ่งเราจะเห็นว่ามีชีวิตของพระโพธิสัตว์ในภพชาติต่างๆได้เน้นหนักในเรื่องของความเพียรพยายามไว้เป็นอย่างสูงบางคราวบางคราวแม้จะไม่เห็นทิศทาง เราจะประสบความสําเร็จแต่ว่าสับใดที่ชีวิตยังมีอยู่ก็ใช้ความเพียรพยายามไปให้เต็มที่ถึงแม้ว่าจะต้องตายไปโดยไม่ประสบความสําเร็จอะไรแต่ก็เชื่อว่าได้พยายามสุดกําลังแล้วและขณะแบบ น, นี้เป็นแนวที่ไปตกอยู่ในทะเลนี่ เรือแตกบ้างเรามีปัญหาต่างๆบ้างนี่ก็หลายครั้งหลายคราวหลายพบหลายชาตินะฮะแต่ว่าด้วยความเพียรพยายามของท่านนั้นจะมีลักษณะโดดเด่นคือมีเหตุผลในการคิดมีสติปัญญาในการคิดอย่าในชาติหนึ่งท่านก็ประสบปัญหาในการค้าทางทะเล แล้วก็โดยสารเรือไปก็เรือมันมีเข้าจะจุมพายุมาแรงคนื่นก็ตื่นสนกตกใจกันแต่ว่าท่านก่อนที่จะลงเรือนั้นได้ทำความดีเอาไว้คือได้ถวายรองเท้ากับปรมแก่พระสงฆ์ก็เตรียมพร้อมคือไม่แสดงความตื่นสนกตกใจแต่ประการใด แล้วเตรียมตัวก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำตาลกรวดนี่มาอบไว้แล้วก็ทาตัวในน้ำมันแล้วก็ถึงคราวเรือจะแตกใท่านปีนขึ้นไปที่เสา ก, กระโดงแล้วก็โดดไปสุดๆเลยปสุ ด, สดแรงเบี่ยงของกระโดงเพราะอะไรเพราะว่าพอเรือมันจมเนี่ยพวกปลาทั้งหลายก็บันมา กินคนที่ตายหรือบางทีก็กินั้งแต่ยังไม่ตายแต่ว่าการกระโดดออกไปไกลอย่างนั้นมันก็พ้นบริเวณของปลาที่มาคุ้มลุมก็ทำให้รอดปลอดภัยแล้วก็วหว้กระเสือกสนอย่างนั้นไม่ได้เห็นฝั่งไม่ได้เห็นอะไรแต่ก็ใช้ความพยายาม ในขณะเดียวกันก็มีคนใช้ของท่านคนหนึ่งซึ่งทำตามท่านก็ได้ไหว้ติดตามไปด้วยก็ตกลงลว่าเหลือสองคนต่อมาก็มีเนี่ยมีแนวเทวาดาประจำสมุดนิรมิตเรือมารับแต่มีข้อแม้ว่ารับเฉพาะคนที่ให้ทานรักษาศีลก็รับขึ้นไปเฉพาะพระโพธิสัตว์ แต่ว่าคนใช้นั้นไม่ยอมรับขึ้นไปเพราะว่าไม่ได้ให้ทานไม่รักษาศีลมาพระโพธิสัตว์ก็อุทิศส่วกุศลที่เกิดขึ้นจากการกระทาของท่านให้แก่คนใช้คนใช้โมทนาเทวาดาก็ช่วยขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วก็นำไปสู่ฟังโดยความสวัสดีคือประเด็นสำคัญว่าเรื่องความเพียร แทุกขันตอนรลองสังเกตว่ามีความเฉลียวฉลาดมีความคิดว่า ต, ตรงนั้นควรจะทำอย่างนั้นคนนี้ควรจะทาอย่างนี้แล้วในสุดท่านก็ประสบความเสเร็จในบางชาติแม้จะเป็นสัตว์เช่นว่าชาติที่เป็นพระยานกยู ง, งยูงทองนะฮะ ประช้ความเพียรพยายามในการสาธยายหมุนนอบนอบ้นอมนอสาการถ ร, รารชิดต่อธรรมะทั้งหลายก็อยู่ด้วยความปลอดภัยตลอดมาแต่ว่าชีวิตมันก็มีปัญหาประสาท บ, บางครั้งถ้าเรารู้ไม่เท่าทันมั น, มนก็เป็นอันตรายได้ต่อมาก็ถูกล่อถูกลวงด้วยนกยูงสาวแล้วเกิดหลงสเสน่ห์ของนกยุงสาว ก็ลืมสาธยายมนแล้วก็ถูกจับแต่วันในที่สุดก็ปล่อยนะเพรา ะ, ะนั้นเราจะเห็นว่าความเพียรเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอยู่เฉพาะในชาติใดชัดหนึ่งแม้ในชาติที่เป็นประเตมีซึ่งถือว่าทำบ้ายนะตัควค่อยๆใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักแต่ว่ากรอบของความเพียรเนี่ยกล่าวโดยสรุปมันจะมีอยู่สีเรื่องใหญ่ๆอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเพียรพยายามในการป้องกัน ภัยอันตรายอุปสรรคโรค อ, อะไรต่างๆที่ยังไม่เกิดหรอกแต่ว่ามีการศึกษาติดตามข้อมูลในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆสถานที่นั้นๆบุคคลนั้นๆเหตุการณ์นั้นๆอย่างในปัจจุบันเนี่ยที่จริงเรามีสื่อทั้งหลายช่วยเยอะแต่ว่าเอาก็จริงแล้วความเพียรพยายามในการจะป้องกันก็ไม่เกิดเราลองสังเกตถึงว่า จะในกรณีอะไรในกรณีเรื่ตั้งสวอก็ได้นะคือมาอย่างนั่งนึกอยู่เรื่อยๆเราเป็นดิ้นรนควงขวายคนที่ไปอยู่ต่างประเทศโดยไม่ได้เสียภาษีทำนุบำรุงบ้านเมืองเนี่ยดูแลใจสายก็เสียเงินเส้ยทองกี่สิบล้านก็ไม่รู้นะฮะได้คนมาสองหมืนกว่าเสียงแต่คนต่างจังหวัดที่มาทำงานอยู่ในกรุงเทพเป็นจำนวนมหาศาลมาก ทำไมไม่ให้สิทธิ์เขาเลือกตั้งแต่ทีนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่แปลกแล้วก็ผลท้ายแม้แต่คนที่จะไปเลือกตั้งเองที่ไปทวงสิทธิในวันเลือกตั้งมันน่าจะไปตรวจสอบดูชื่อเสียงหน่อยปัญหามันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกแต่ว่าเราลองสังเกตว่าความเพี้ยนมันย่อนไปหน่อย หรือไม่ถึงขนาดนั้นเพื่อเพื่อนฝูงไปหรือว่าโทรศัพท์สอบถามคือยุคสมัยตรงนี้มันเป็นยุคที่มันง่ายหมดแล้วคือยังมองว่าบางครั้งบางคราวที่เราทำงานเอ๊ะทาไมยังทางานแบบเดิมอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างงี้นะเช่นว่าการนำข้อสอบไปในที่ต่างๆในแต่ละปีเนี่ยเสียเงินเสียทองมากมายแก่ก่อง แล้วก็ดูเหมือนกับว่าพระในทินเนี่ยจะไว้วางใจอะไรไม่ได้จะต้องส่งพระส่วนกลางไปคุมแล้วสิ้์เปลืองเวลาสิ้์เปลืองเงินทองสิธ์เปลืองแรงงานไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นทีนี้ตีต่างว่าเนี่ยเราตรงลงนัดหมายกันก่อนจะถึงเวลาสอบเราก็ส่งกระดาษอะไรต่างๆไปให้หรือส่งเงินให้ท่านซื้ อ, อก็ได้นะส่งกระดาษ ไปให้ก็ได้แล้วว่าถึงวันสอบเราก็ทำได้หลายอย่างนะทําแฟกไปก็สอบไปก็นัดหมายกันนะนะอันนั้งก็ท่านก็ต้องพิมพ์หรือแ่างก็ส่งแบบลงทะเบียนไปเลยส่งด่วนเป็นจดหมายด่วนไปแล้วไปถึงท่านก็เข้าซีลออกเครื่องออกมา ครื่อง น, นี้จริงมันง่ายๆอะไรง่ายเยอะเลยหรืองานก็ทําเข้าซีดีไว้แล้วก็ส่งไปเป็นแผ่นๆอย่างนี้นเพลงก็หมายความว่ามันมีอะไรที่ประหยัดประหยัดได้เยอะแต่เราก็ทํางานแบบเดิมแล้วค่าใช้จ่ายความสิ้นเปลืองต่างๆมันก็เพิ่มมากงขึ้นเพราะแนวการป้องกันมันจึงการเป็นแนวที่มีข้อมูล ศึกษาติดตามเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ป้องกันของการส่วนหนึ่งก็คือไม่ไม่ไปในสถานที่นั้นอีกอย่างหนึ่งมันมันเกิดแล้วอะ่ะเหตุการณ์ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นแล้วจึงไม่ใช่อยู่ในช่วงของการป้องกันแต่ไปอยู่ในช่วงของการป้องกันความคิดของเราคือ อารมณ์ที่กระตุ้นเร่งร้าให้มันเกิดปัญหาเกิดก็ส่วนมากเมื่อเกิดนี่แหละเกิดความโลภเกิดความต้องการทางเพศเกิดความโกรธเกิดความงมงายเกิดความประมาทมันก็สีห้าเรื่องอย่างเงี้ยออกมาแสดงว่าความคิดอย่างนั้นมีปัญหาแล้วเราก็สํารวมใจเราอย่าให้ยินดียินร้ายไอ้เขาทําเราไม่มีสิทธิห้ามอะไรก็ได้หรอกแต่เราระวังใจว่าอย่าให้ กำหนัดอย่าให้โลภในอารมณ์ที่กระตุ้นให้กำหนัดให้โลภอย่ากโกรธอย่าขัดเคืองในอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความขับเคืองอย่า ง, งมงายอยากเชื่อง่ายอะไรไปแต่ตามปกติแนวที่เขายั่วยนเนี่ยนะมันจะรู้สึกเราได้เพราะแนวการบริหารการจัดการในแต่ปัจจุบันเราเห็นว่าจะมีเพลคือสถานที่ที่ทําเลเหมาะสม แล้วก็มีการผิดอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็มีการโปรโมตโดยหลากหลายวิธีรูปแบบต่างๆแล้วคนจิตใจจะอ่อนแอจะเชื่ออะไรง่ายเกินไปในวัดเองก็มีบ่อยนะคนไปโฆษณาสินค้าอะไ ร, ะะไรต่างๆคือโฆษณาจนนำคาญเลยบอกว่าเธอไม่ต้องพูดรอบ แต่ฉันต้องการฉันก็ต้องการฉันไม่ต้องการเธอพูดจะสิบวันเนี่ยไม่ต้องการหรอกเสียเวลาเปล่าเพราะว่าสิ่งอะไรเนี่ยเรารู้ในตัวเราว่าเรามีความจําเป็นไหมสมมติว่าของวัตถุเราจําเป็นต้องใช้หรือเปล่าชั น, บบ น, น, นสมโฆษณาขายปากกาอย่างดีลดแรกแจกแถมอะไรต่างๆปากกาเดีนี้มันใช้ลูกกล้นสีห้าบาทก็เยอะแล้วมนความจาเป็นอะไรจะต้องไปซื้อปากกานแพงอย่างนี้น พอมันสําเร็จประโยชน์อ่ะมันก็อยู่ที่สําเร็จประโยชน์แล้วก็ความนิยมในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ไม่ค่อยใช้ประการาคาแพงเว้นไว้แต่ว่าเขาควบคุมเขาบังคับเอาไว้ว่าตรงนั้นจะต้องใช้หมึกอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่าเข้าไปแต่ตามปกติเขาก็จัดไว้ให้แลนแนวป้องกันเวลาเนี้ยความเสื่อมในด้านต่างๆ โรคภัยไข้เจ็บพวกโรคระบาดพวกอะไรต่างๆเนี่ยพวกสื่อต่างๆเนี่ยคือบางทีมันได้ไม่คุ้มอ่ะเช่นสมมติว่าเราปล่อยสื่อที่มันไม่มีคุณค่าในการพัฒนาหรื อ, อยแม้แต่พวกการ์ ต, ตูนของญี่ปุ่นเดี่ยวเราชช่นชมนิยมเอาเงินเราไปเยอะนั่งเปียยหคื อ, อยังนึกว่าทำไมเราไม่สนับสนุนคนไทยอ่ะให้สร้างภาพยนต์การ์ตูนลงทุนให้เขา แล้วก็ช่วยกันพิมพ์เผยแพร่ช่วยกันจาหน่ายช่วยกันซื้อช่วยกันหาคือว่ามันได้ถ่ายทอดความคิดความอ่านแบบไทยแล้วก็คงเนื้อหาความรักชาติความภาคภูมิแต่เราก็ปล่อยให้คนอื่นมาล้างสมองเด็กของเราความคิดความอ่านมันเลยก็เป็นฝรั่งวันก่อนไปฟังอะไรหรือเปิดไปเจออะไรเขาเรียกอะไรรายการอะไรไม่ทราบ เขาตั้งปัญหาดูอ่าดูดูหางดูนางดูแม่ดูแน่ดูถึงยายดูช่างดูหางนั่งเขใช้กันมาดูช่างดูหางดูนางดูแม่ดูไอแน่ดูถึงยายก็ไปสอบถามความคิดความเห็นบางคนรถนั้นยังใช้ได้อยู่ไหมก็ตอบออกมาแตต่างๆกันคือแสดงว่ารถมันก็คงบุญบุญนานดวงกันมีเด็ก มีชายหนุ่มคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยดูให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แย่แล้วประเด็นนี้มันดูไม่เคยออกด้วยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกดูต้องดูจากคนใกล้บ้านคนใกล้บ้านก็มีความรู้สึกยังไงคือแสดงความคิดความเห็นแต่เราจะเห็นทังความจริงนะว่าคนเราในส่วนหนึ่งมันถ่ายทอดบุคลิกภาพกันมาทางสายเลือด ส่วนมากลักษณะความคิดความอ่านไม่ค่อยห่างไกลอะไรกันเท่าไหร่เพราะแนวโบราณเนี่ยมาท่านท่านมองแนวปัจจัยการหมายความ่าคนเราจะถ่ายทอดปุคลิกภาพลักษณะนิสัยมาทางสายเลือดนีอย่างหนึ่งซึ่งเราลองดูให้ดียกพยายามฟุตบอลอะไรดีเขามาแข่งอะไรบางก่อนที่มาแข่งในเมืองไทยอ่ะบราซิลด้วยเราจะเห็นว่าเราดูเด็กแล้วก็อายุมันก็รุ่นาวคาเดกัน ทำไมคนไทยจึงพ่แพ้แรงขนาดนั้นเอาแหละพวกนี้เก่งในะทางบอลนะสมมติมาต่อยเมื่อไทยก็สู้คนไทยไม่ได้เห็นไหมว่าหรือว่าอะไรกีฬาบางอย่างเช่นพวกบัลเล่พวกยิมนาสติกพวกอะไรต่ออะไรพวกทศ ก, กีทาทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันมาจากต่างประเทศเนี่ยอย่างพวกยัดรัเสเซียงเนี่ยพวกบัลเล่พวกยิมนาสติกนี่จะสู้เขาไม่ได้ เ อ, อ, อเมริกันพูดบอลก็สู้สู้อเมริกาไม่ได้แต่ว่าเด็กอายุมันมันมันไล่เดียว ก, กันอนะทําไมละ่ะก็แสดงว่าส่วนหนึ่งมันมาจากสายเลือดมันเห็นมันเข้าใจมันซึมซับมาตั้งแต่เล็กๆเพราะอิทธิพลจากครอบครัวเนี่ยเป็นอิทธิพลมากนะไม่ใช่ว่าปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเพราะการถ่ายทอดกันทางสายเลือดอย่างคนจีนคนอะไรอ่ะคนจีนคนเวียดนามคนญี่ปุ่น ่เป็นสายเลือดของคนที่ขยันมันเพียนจนเรียกเรียกได้ว่าบ้า ง, งานไปเลยแต่ขยันอุดรุนเนี่ยเวียดนามเนี่ยขยันมากนะคื อ, อยังนึกว่าถ้าเอาคนจีนคนเวียดนามคนญี่ปุ่นมาอยู่ด้วยกันเอ๋ถามว่าใครขยันมากกว่าเรยเจนว่าเวียดนามจะขยันมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าชีวิต มันผ่านความลำเค็นมันผ่านการตอ่อสู้ผ่านการแตกแยกกันมาตลอดการเดวนานมามันก็สร้างลักษณะนิ ส, สัยให้เป็นคนสู้ชีวิตเพราะงั้นพวนี้มันก็ทําทั้งป้องกันทั้งบําบัดอะไรที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นแก่เขาเขาก็มีการป้องกันแล้วก็มีความหมั่นขยันที่จะทําำย้องศึกษาถึงไอ้หลุมอะไรแกไปสร้างเมืองอยู่ใต้ดินฮะ หลุมซอกแซกไปในที่ต่างๆงไม่ใช่ธรรมดานะครับคือแสดงถึงความหมั่นขยันแต่ว่าที่นาเสด็จไดก็คือใช้ความขยันไปในทางที่ไม่ค่อยได้เรื่องคือไปเบียดเบียนเปเข็นข้าไปยื้อแย่งไปต่อสู้ปราดพรานกันมากาไปในความอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่หลีเกเลี่ยงได้ยากมากันบางเรื่อง การสรุปแนวตัวนี้มันแนวท่านเรียกรวมๆมาสังวรรพทานคือเพียนระวังไม่ให้บาปไม่ให้กุศลไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภายในจิตใจหมายความมันยังไม่เกิดหรอกแต่หมายรวมทั้งหมดนั่นแหละหมายความมาพวกโรคระบาดพวกอะไรอะไรเชื้อโรคพวกพาหะในสิ่งทังางๆนี่ก็พยายามป้องกันในประเด็นตรงนี้จริงเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไง ลักษณะการใช้ความเพียรเนี่ยพระเจ้าทรงใช้ในลักษณะที่หมุนหมุนต่อเนื่องมาหยุดนิ่งนะทรงใช้คำว่าฉันดังเฉเนติคือให้ปลูกฝังความพอใจแล้วก็ปรารบความเพียรพยายามแล้วก็ทําความเพียรพยายามพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันได้ผลทางจิตขนาดไหนได้ผลในชีวิตขนาดไหนก็รักษาคุณภาพตรงนั้นเอาไว้ แล้วก็พยายามต่อไปมันจะเหมือนกับการต่อสู้กับข้าศึกโดยเช่นว่าการต่อสู้กับข้าศึกสมัยก่อนอย่างที่พม่าเรารบกับเราที่ที่อะไรทุ่งอะไรเนี่ยทุ่งสำลิดเลยคือพม่าเ า, าก็มาตั้งค่ายเราก็เข้าอยู่ในค่ายเราก็ยกโรคไปยกโรคกันเสร็จแล้วก็ ก, ก, ก, ก, กลับเข้าค่ายนั่นก็ยุดเยื้ยอะ แนวรบเนี่ยเขาต้องถือว่ามันต้องบุกยึดพื้นที่ไว้ได้ตลอดแล้ว ย, ยึดได้เท่าไหร่ก็คือรักษาไว้แล้วก็รุกคืบไปเรืร่อยๆเพื่อจะเอาชนะให้ได้เพราะในเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าความจนความไม่รู้ความอะไรใช้ ย, ยุทธศาสตร์เดียวกันยุทธศาสตร์ยุด้วยตัวทีเดียวกันต่อการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันตรายก็คือหนึ่งป้องกันสองอันตรายมันเข้ามาแล้วอ่ะ มาเข้ามาแล้วก็พยายามยันแหว้ได้อันตรายเหล่านั้นหมายความว่าอย่าให้รุกไปครอบงาใจเราเราอาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีปัญหาเยอะมันก็ทํำยังไงอมันต้องอยู่แต่ต้องพยายามทําใจควบคุมความรู้สึกควบคุมจิตใจเราไม่ให้อ่อนไหวไปกับเรื่องเหล่านั้นอาจจะมีคนเสพตดิดตูวรงนั้นมาอาจจะมีปัญหาต่างๆอย่างเนี้อย่าวัดวาอารามในปัจจุบัน วัดจะมันหนีบ้านแล้วนะ่ะเหมือนไข้ทหารเนะ่ยแต่ว่าบ้านไปล้อมขึ้นไปเรื่อยๆไปชิดวัดไปเรื่อยๆจนถึงกับบางทีก็เข้าของไปตากในวัดยังไปวันก่อนไปท้องก่อนก็คุยกับสมพานก็บอกโอ oh, ไม่ไหวนะเนี่ยปล่อยชาวบ้านเ อ, อปลามาตากเปืือนวัดอยูเนี่ยเ อ, อปลามาตากกลินมันก็เหม็นนะัสิวัดนะมันก็เสียบรรยากาศหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็รุกเข้ามามาก เพราะงั้นทํำยังไงอ่ะมันก็ต้องทนอ่ะพสภาพไปร้อนมันบีบเข้ามาจะไปทะเลาะกับชาวบ้านมันก็รู้สึกยังไงอยู่แต่ชาวบ้านเองก็ต้องสร้างความสำนึกเหมือนกันนะว่าวัดก็คือวัดอ่ะมันก็ควรจะช่วยกัน ร, รักษาสภาพปัจจุบัแต่สมมติถ้าเ ม, มืเ่อทําไม่ได้เราก็ต้องทนเห็นไหมความเพียรตรงนี้ต้องอดทนอยู่ด้วย แล้วในขณะเดียวกันก็เพียนพยายามที่จะลดละไอ้ความปกป่องปัญหาอุปสรรคโ ล, ล, ล, ลนั้นให้ลดน้อยถอยลงไปด้วยมันก็มีทั้งความอดทนมีทั้งปัญญามีทั้งอธิษฐานมีทั้งสัจจะมีทั้งขันติมีอะไรเยอะไปหมดเลยนะแต่และเรื่องที่เราจะแก้ไขได้เนะี่ยคือถ้าเราลองดูแล้วมันเหมือนกับอะไรเหมือนเราหยิบของอนะหยิบของสักอย่างหนึ่ง เราเห็นว่าทุกส่วนของวัยวาณเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวไปด้วยกันอะไรที่ทำงานหนักก็เคลื่อนไหวมากหน่อยอะไรที่ทำงานเบาหน่อยก็เคลื่อนไหวน้อยลงหน่อยแต่ว่าก็จะเคลื่อนไหวดังนั้นตมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมาความพออย่างหนึ่งเกิดอย่างหนึ่งก็ต้องเกิดตามไปอย่างตุ ว, วิาทสงยกอุปมาถึงธรรมะห้าข้อ คือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความลึกได้สติความตั้งใจมั่นและปัญญาความรอบรู้เนี่ยเขาทางานประสานกันสองอุปมาว่ามันเหมือนกับคนห้าคนคนหนึ่งเป็นราชกุมารอีกอีกสี่คนนั้นเป็นบุตรของหมาหมาแล้วก็เป็นเพื่อนกันเล่นกันมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็เมื่อไปไหนมาไหนด้วยกันเพื่อนไปถึงบ้านเพื่อนคนไหนเพื่อนคนนั้นก็ต้องดูแลเพื่อนอีสี่คน แต่พอทั้งห้าคนเนี่ยทั้งสี่คนเนี่ยเข้ามาในวังก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของราชกุมาคือหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยต้องมีปัญญาเข้ากำกับเพราะศัทธาเขาต้องมีปัญญาเข้ากำกับเป็นแบ่งความเพียนเนี่ยก็ต้องมีปัญญาเข้ากำกั บ, นนตญญกกบสติกับปัญญาเขเกิดร่วมกันนะนะสมาธิก็ต้องมีปัญญาเข้ากำกับบางทีมันแยกไม่ออกเราเคลิ้มหลับไปหนูนึกว่าเป็นสมาธิ แต่บางทีก็ปรุงคิดคิดปรุงก็ขวันต่อไปด้วยแล้วเราก็โมเมว่าเป็นธรรมาที่เลยยุ่งหมดเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้มันมันเป็นธรรมาที่เรียกว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเพรา ะ, ะการมองถึงบาปโทษสิ่งบกพร่องทั้งหลายในตัวเราเนี่ยที่มันแก้ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราเข้ากับตัวเอ ง, งนะที่คนก็ถนุถนอมตัวเองเข้าข้างตัวเอง ลักษณะนิสัยความระพฤติการกระทําเป็นนั้นมากที่ไม่เหมาะไม่ควรแต่เราการ็อธิบายแก้ต่างให้แก่ตัวเองได้แล้วในที่สุดความเปลี่ยนแปลงในจิตมันก็ไม่เคยเกิดเพราะว่าเรามองออกข้างนอกแต่ว่าการแก้ปัญหาข้างในเนี่ยมันเราต้องเหมาะข้างในแล้วก็สามารถเปลีนตนได้ตรวจสอบตนได้ตัสตดตสินตนได้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงตนด้วยตนเองได้นะะอย่างที่ท่านบอกอไว้ว่า ต้องเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนแล้วก็ตัดสินตนด้วยตนนะก็มีคนเอาไปแต่งไปํากลอนว่าตนเตือนตนของตนในผลผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าช่เชือนเตือนตนให้ปลอดภัยนี่คือหลักการว่าอันตรายอุปสรรคเนี่มันเกิดแล้วมันอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่ในใจเราจะทํายังไงจะขจัดมันออกไปได้มันต้องมีความชัดเจนไม่หลงตัวแล้วไม่เข้าข้างตัว มองเห็นสิ่งที่เป็นโทษเหล่านี้ชัดเขาพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นโทษนะฮะที่ต้องการจะออกไปสิ่งที่เป็นคุณก็ต้องรักษาเอาไว้มันเป็นการปฏิบัติอีกช่วงหนึ่งคือความเพียรอีกช่วงหนึ่งท่านฟังทงั้งหลายแต่หลวงบู่พิยานในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูุญในธรรมที่มีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี